ปฏิปัิสัมเพตพระเตจตารีสก์ว่าด้วยองค์43ของภิกษุที่สงพึงระงับอุเขปณียกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติหมวดที่1ภิกษุทั้งหลายสงพึงระงับอุเคปนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หคือน ไม่ให้อุปสมบท 2. ไม่ให้นิสัย 3. ไม่ใช้สามเณรอุปถา 4. ไม่รับแต่งตั้งเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี 5. แม้ได้รับแต่งตั้งแล้วก็ไม่สั่งสอนภิกษุณีภิกษุทั้งหลายสงพึงระงับอุเคปนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติแก่ภิกษุผู้ประกอบได่องค์หเหล่านี้แล บทที่ 2. ภิกษุทั้งหลายสงพึงระงับอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าอีกอย่างหนึ่งคือ 1. ไม่ต้องอาบัตที่เป็นเหตุให้ถูกสง์ลงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติอีก 2. ไม่ต้องอาบัตอื่นทํานองเดียวกัน 3. ไม่ต้องอาบัติที่เลวทามกว่านั้น สไม่ตําหนิดกรรม 5. ไม่ตําหนิภิกษุผู้ทํากรรมภิกษุทั้งหลายสงพึงระงับอุเขปนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติแก่ภิกษุผู้ประกอบได่องค์าเหล่านี้แลหมวดที่3ภิกษุทั้งหลายสงพึงระงับอุเขปนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติ แก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าอีกอย่างหนึ่งคือ 1. ไม่ยินดีการกราบไหว้ของปกตตะภิกษุ 2. ไม่ยินดีการลุกรับของปกตตะภิกษุ 3. ไม่ยินดีการประนมมือของปกตตะภิกษุ 4. ไม่ยินดีสามีจิกรรมของปกตตะภิกษุ 5. ไม่ยินดีการนำอาสนะมาให้ของปักตตะภิกษุภิกษุทั้งหลายสงพึงระงับอุกเคปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตแก่พิกษุธผู้ประกอบด้วยองค์หเหล่านี้แหลหมวดที่4ภิกษุทั้งหลายสงพึงระงับอุกเคปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตแก่พิกษุ์ผู้ประกอบด้วยองค์หาอีกอย่างหนึ่งคือ 1. ไม่ยินดีการนำที่นอนมาให้ของปกตตะภิกษุ 2. ไม่ยินดีน้ําล้างเทา้าการตั้งต่างรองเท้าให้ของปกตตะภิกษุ 3. ไม่ยินดีการตั้งกระเบื้องเช็ดเท้าให้ของปกตตะภิกษุ 4. ไม่ยินดีการรับบาดและจีวรของปกตตะภิกษุ 5. ไม่ยินดีการที่ปกตตะพิกสุถูหลังให้ในคราวอาบน้ำพิกสุทั้งหลายสงพึงระงับอุเขปนียกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติแกภิกษุผู้ประกอบได้องค์5เหล่านี้แลหมวดที่5ภิพิสุทั้งหลายสงพึงระงับอุเขปนียกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติแกภิกษุ ผู้ประกอบด้วยองค์ห้าอีกอย่างหนึ่งคือ 1. ไม่ใส่ความปรกตตะภิกษุด้วยสีรวิบัติ 2. ไม่ใส่ความปรกตตะภิกษุด้วยอาจารวิบัติ 3. ไม่ใส่ความปรกตตะภิกษุด้วยทิฏฐิวิบัติ 4. ไม่ใส่ความปรกตตะภิกษุด้วยอาชีววิบัติ 5. ไม่ยุโยงประกตตระิกสุให้แตกกันภิกสุทั้งหลายสงพึงระงับอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตแก่ภิกสุผู้ประกอบด้วยองค์หเหล่านี้แหลหมดที่6ภิกสุทั้งหลายสงพึงระงับอุเคปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตแก่พิกสุผู้ประกอบด้วยองค์หอีกอย่างหนึ่งคือ 1. ไม่ใช้เครื่องนุ่งห่มอย่างเครหัดสอไม่ใช้เครื่องนุ่งห่มอย่างเดรถี 3. ไม่คบพวกเดียรถี 4. ีคบพวกภิกษุ 5. ศึกษาสิกขาบทของภิกษุภิกษุทั้งหลายสงพึงระงับอุเคปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าเหล่านี้แล หมวดที่7ภิกษุทั้งหลายสงพึงระงับอุเขปนียกรรมเพราะไม่ทําคืนอนาบัตแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หอีกอย่างหนึ่งคือ 1. ไม่อยู่ในอาวาสที่มีเครื่องมุงบางเดียวกันกับปกจัตตพิสุทิ์สองไม่อยู่ในสถานที่มิใช่อาวาสที่มีเครื่องมุงบางเดียวกันกับปกจัตตพิสุทิ์สาม ไม่อยู่ในอาวาสหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาสที่มีเครื่องมุงบางเดียวกันกับปกตัตตภิกษุ 4. เห็นปกตัตตภิกษุแล้วลุกจากอาสนะ 5. ไม่รุกรานปกตัตตภิกษุทั้งข้างในหรือข้างนอกวิหารภิกษุทั้งหลายสงพึงระงับอุเขปณียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัต แก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์5เหล่านี้แลหมวดที่8ภิกษุทั้งหลายสงพึงระงับอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัตแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์8คือ 1. ไม่งดอุโบสถแก่ปกจัตตะภิกษุ 2. ไม่งดปวารณาแก่ปกจัตตะภิกษุ 3. ไม่ทําการไต่สวน 4. ไม่เริ่มอนุว า, าทาธิก่อน 5. ไม่ขอโอกาสภิกษุอื่น 6. ไม่โจทย์ภิกษุอื่น 7. ไม่ให้ภิกษุอื่นให้การ 8. ไม่ชักชวนกันก่นกอความทะเลาะภิกษุทั้งหลายสงพึงระงับอุกเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์8เหล่านี้แล ปฏิปสัมเพตพระเตจตารีสกะในอุเขปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตจบ